ในท่านสาธุชนผู้ชนใจในธรรมทั้งหลายงั้นต้มาขอแสดงความยินดี ใ, ในการมาของท่านทั้งหลาย ใ, ในลักษณะอย่างนี้ <c oughs> คือในลักษณะผู้สแสวงหาวิธีการดับทุกข์หรือผูสแสวงหาความรู้เรื่องความดับทุกข์เพื่อประโยชน์แก่ในการดับทุกข์ซึ่งต่อไปทุก <c> ป <oughs> ัจจุบั น, นเราได้มา น, นั่งกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ ขอให้เรื่ความหมายได้ด้วยว่าในการที่มันนั่งกันอยู่ในลักษณะกลางดินเช่อย่างนี้มันเป็นความสมควรทุกเห ม, ม, มาะสมเว่าะธรรมะนี้เสียกได้ว่าเกิดกลางดินถรู้ได้ตรงที่พระพุทธเจ้านั้นี่ยประสูตดกลางดินรัตสรุกลางดินซ้อนกลางดินจนไปข้างกล่าวได้ว่าถ้าเป็นดอกเกิดทั้งหมดนั่นเป็นการซับซ้อนเป็นกลางดินพระพุทธเจ้าท่านไปอยู่ที่อยู่พื้นดินไม่ใช่อยู่เป็นเรือนสูงเป็น ชั้นนะใช่เรื่องที่สุดทําก็นิพพานกลางดินทีคอยอยู่กับมกรรมาการดินว่ามีเกียรสูงสุดอย่างไรลงังที่นีเป็นที่ประสจรรย์แลก็ส่องซ้อนที่อยู่อาที่ปรรนิพพานของปกทเจ้าเพราะเราได้มา น, นั่งกลางดินอย่างนี้ท่านควรจะมีจิตใจที่เข้าใจเป็นจิตใจที่เหมาะสมมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทเร่องใหพุ่งสร้างเรื่องเป็นของแปลตลาดเรามา น, นั่งกลางดิน <c oughs> มีแต่จะทําในการจึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นสุตังดินจตุสุตังดินซ้อนตังดินอยู่กลางดินและก็นิพพานกลางดินสมัยก่อนเราเป็นนั่งอยู่ที่ที่นั่นที่นอนที่อะไรของพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนการภาทิศอย่างนี้ทํำในใจอย่างนี้จิตใจนี้ก็เหมาะสมมากที่สุดที่จะศึกษาธรรมะจะฟังธรมงธรมะจะไต่สวนธรมธรมจะจากเ้าใจธรรมะให้มีมใจิตใจให้เหมาะสมกับสี่ว่าจะอยู่กลางดินเรื่องความอยู่กลางดินมาเป็นไหนมาตรฐานต้องจิตใจในเวลานี้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 ไม่ใช of ่ตัวทำานแตท้มระบบการปฏิบัติดับทุกได้ถ้าปฏิบัติดับทุกได้ไม่ต้องมีความรู้ความประจัญชุกเจ้ามาก่อนดังนั้นจึงรวมความรู้ความประจัญกับว้ด้วยในระบบความดับทุกฉันต่างหลายต้องการมากเกินไปต้องการอะไรก็ไม่รู้มากเกินไปไม่ได้ต้องการเพียงความดับทุกหรือมันเลยยุ่งเอาหน้านี่จะปฏิบัติเอา้นเ้านี่จะปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มุ่งหมายเฉพาะกัจงว่าจะต้องการใหนการดับทุกมันกต่เลยไม่พบปะกันกับเรื่องการดับทุก ม่วเวลาได้ลามาเป็นปีก็ยังไม่เคยพบปะกันบเรื่องความดับทุกข์เรดับทุกข์นี่ เ, นเรื่องสาคัญคือเป็นตัวประพฤติศ า, า, าสะนะเป็นวัตใจของระพตศาสตรนะเป็นตัวเลวัตถัไว<ป>้เป็นอะไรหมดเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าแต่ตอนนี้ก็ดีนีก็ดีทาพธกล่าวในเรื่องความทุกบจับดับทุกข์เท่านั้นที่เราสนใจมากเกินไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้ชอบเรื่องตีแปเวลาพิ่ารใจไม่อยได้ที่มีลักษณะเป็นสักดิ์ศคลั่งเป็นปฏิหาริย์เป็นอัศจรรย่น เรื่องดับทุกข์หรือไม่มีธรรมะที่เป็นความบับทุกข์นี่เพราะให้ตั้งใจกันเสียใหม่ว่าเราจะมุ่งหมายเอาเรื่องความดับทุกข์ให้เข้าใจและปฏิบัติให้จนได้ที่จะดับทุกข์ได้ทีนี้มันมาถึงเรื่องความทุกข์คืออะไรจะดับกันอย่างไรจะดับกันที่ไหนเห็นความทุกข์ทุกเนี่ยคํานี้เป็นอาสาบาลีที่อยู่ซอนความหมายเป็นทุกข์นีความหมายหนึ่งคือเจ็บปวดเป็นทุกข์ทนทรมานนี่เรียกว่าเป็นทุกข์ที่มีความหมายหนึ่งมันมีลักษณะแห่งความทุกข์ ไม่ไมี่คนเจ็บปมานแต่มงทีมลักษณะแห่งความทุกข์จึงมีทั้งายทังขานทั้งร้ายทั้งปวงอันนี้เป็นทุกข์ทั้งัร้าเป็นทุกข์ในที่นี้มัีลักษณะแห่งความทุกข์แห่งความทุกข์ก็มีลักษณะแห่งความทุกข์ม้ความสุขเเป็นสันขานนั้นความสุขก็มีลักษณะแห่งความทุกข์าสุขเป็นของวิที่เป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของหลอกลวงเป็นของขอบตักเอาบุคคลโง่ในที่นีระพุทธเถรว่าความสุขของปูนั่นจริงกล่าวว่าแม้แต่สิ่งที่เร กระดาษได้ว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์คือมันเปลี่ยนแปลงชิดล้อตอนไปเป็นนั่นองความเปลี่ยนแปลงสาตินึงมันจะไม่มีก้อนหนลัี้แต่ที่นี้มันช้าหน่อยคนก็มายังสังเกตคือไไม่ได้เช่นว่กอนหินเหลานี้แต่ตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วมันก็เพิ่งมีมันกำลังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปสู่ความไม่วี่นีีลักษณะแห่งความทุกข์นี่คาที่เราพูดกันว่าทุกข์ทุกข์มันมีสองความายอย่างนี้มันเกิดเป็นทุกข์ความยเป็นทุกข์วาเจเป็นทุกข์าตยเป็นทุกข์นี่มมีลักษณะ ถ้าใครไปจับชวยเอามาเป็นกองตนมันจะกรดคนนั้นทันทีจะมีความทุกข์อย่างเจ็บปวดในกามทุกข์อย่างเจ็บปวดเป็น ม, มาทันทีนี่เป็นตัวทุกข์ จ, จริงจริงจริงมีลักษณะแห่งความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยไปยึดมัน่นถือมันไ้ตัวเราเราก็มันตัดเราทันทีนจะมีลักษณะแห่งความทุกข์ <c oughs> ที่ว่ามันมีความทุกข์เนี่ยมันหนักนึกถึงเมื่อเราถือของหนักเมื่อราิวหาแบกูนอก็ตาแต่วราถือของหนักเพราะมันหนักแล้วถึงเป็นทุกข์ยังไงถ้าวางเสียมันจะไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ คนยึือขันห้าอาไว้รูปของเราเวทนาของเราส dles, ark, ัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราถ้าไปยึถืออะิดใจว่าของเรามันจึงนับแกติดใจถ้ามันอยู่กันแต่คันห้าติใจในแ่ยึดถือเ่าวของเรามันก็ไม่เป็นทุกข์นจรงกล่าวว่ากันจุปาทานอาการขันห้าเป็นตัวทุกข์คือเป็นเจตกันที่ถือเอาไวืรูปทานว่าเราของเราเป็นตัวทุกข์ที่เป็นคัน้นมนทุกิงทุกอย่างแหละไม่ว่าอะไรที่มันอยู่ในโลกยังเท่ากันเลยเป็นเจตคันมันจะพูดเป็นถาดสีก็ได้การดิ้นรนลมอาไว้ก็ได เราพรอมภายในตาหูจมูลิ้นกายใจมันเป็นของตนมันเป็นทุกทันทีกไปยึดถือว่าเป็นของตนมันจึงเป็นทุกทันทีคือือไปกองหนักเนมทันทีรูปเสียงสิ่งนั้ปวการมัทั้งหกนี้ไปยึดถือของตนมันก็เป็นอหนักเสมอทันทีไม่ว่าอะไรถ้าไปถือเขาแล้วมันเป็นของหนักท่านั้นเรื่องจะเปรียบได้ง่ายๆก็เช่นว่าถ้าจะถือถือที่หิ้ก้อนหินมันก็หนักเมื่อจะหิทองคำแแท่งทองคมันก็หนักหรือว่าจะหิ้ถือเพชรพลอยก้อนเพชรกอนพลอยมันก็หนักไี่ี่าอะไรที่จะ เขาไม่มีค่ า, Finanz, า Ensuite, เลยกอนหินที่มนมีค่าเลยดินตายในประการไปหิ้วค่ามันก็หนักของเขที่มันมีค่ามากที่สุดเป็นเพกร้อยเงินทองอะไรต่างๆไปหิ้วค่ามันก็หนักนะถ้าไม่หิ้วมันก็ไม่หนักนั่นจึงล่าวว่าการยึดถือของหนักมันเป็นทุกข์การวางของหนักลงเสียเป็นความสุขเช่นเช่นกาลังกัดรุ่มอยู่ในจิตใจเรื่องอะไรอะไรที่เป็นตัวคููที่เป็นของกรูโกรธเนนั่นอยู่หลาเป็นนี่อยู่หรือเป็หมวกลุ่มใจอยู่นะมันไปไหมมันอะไรเ็นของตนแล้วมันไม่ได้อย่างใจแล้วมันก็โกรธมันก็ตุ่มนี่ประว นายยอมเป็นของคูเันเป็นของคูมันก็เบาทันทีมันจะเราโคตรอยู่เพรสลักเรื่องนันออกไปเสียมันก็หายโสดมันก็เบาทันทีเรารับหนักออกนักใจอยู่พราสลับออกไปเสียว่าไม่ใจ่ของกูมันก็เบาทันทีนี่เรียกว่าวางของหนักของเสียก็จะไม่ทุกเรียกว่าความสุขยึดเพื่อของหนักไว้มันเราเป็นทุกมันช่วยไม่ได้เป็นอย่างนี้เองเพื่อนใครทุกคนเ่อนสังเกตดูให้ดีในชีวิตของตนแต่ละวันแต่ละวันนะเราศึกษาจากชีวิตของตนแต่ละวันแต่ละวันนั่นเองจะไปเอาเรื่องข้างนอกมันเป็นหลักเป็นเกย์นั่นแหละมันเป็น เราว่าความทุกข์มันทกู่ที่จิตใจกันอยู่ข้างในจิตใจอยู่ข้างหนแต่มีความทุกข์มันมีความทุกข์อยู่ที่จิตใจเห็นดังนั้นมันจมองลงไปที่จิตใจให้เห็นว่าจิตใจมันยึดถืออะไรอยู่จึงกำลังเป็นทุกข์อยู่เช่นคนนี้กำลังเป็นทุกข์อยเรื่องเป็นทองครของยุ่ยากสูญเสียอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคนนี้กำลังเป็นทุกข์อยู่เรื่องลูกอย่างล้านเรื่องมุกัญญาสามีเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ให้มันคนเป็นทุกข์อยู่ในจิตที่ย่อเสียงนักกไกเขาเรื่องจิตย่อเา ใ็แต่เพียงว่าสิ่งที่เราเกี่ยบของด้วยแล้วไปจัดการให้ดีชนิดที่ไม่ต้องยึดว่าตัวเร า, วาของเราจะจัดจะทาไปยังไรจะทำไปะรัเขาเงินองก็พสมบัดลูกหลานคนนย า, ามีเกจิยศชื่ออะไรต่าง ๆ, า ๆ, าๆจัดไปกระทาไปตามสิ่ควรจะทำโดยไม่ตม้องหมายมันให้มันเป็นตัวคู่ของกูแล้วมันก็หมาทุกม่มีความทุกจะจัจงสิน ต, ต่างๆไ็ได้ใ น, นทหนาหที่อทให้สนุกเันจะยึดถืงหมายมันสิ่งดสิ่งหนึ่งจนเป็นทุกจะทำซื่อเหมือนกันทำไปให้สนุกอยากมีกิจันิดที่ยึดมั่นรือม แต่ที่งมันเ็นเ่งทําได้ถ้ามันทำก็ต้องเป็นทุกข์กันนะมันไ ม, ไ, มมไม่มีทางอื่นแนละ้วอทำในสลัดออกไปเสียออกาดิ้วันเดียวต้องปเป็นทุกข์กันอไรจะมิตัว็ต้งเป็นทุกข์ถ้ามันดิบดไ้อแล้วมันมีอะไรที่จะเป็นทุกข์ไม่ได้มาทำาหารอย่างไรก็ไม่เป็นทุกข์นี่ก็ทไปได้ในประการตัวหม า, า, ายจะทำน า, ท ำ, า, ท, ำาทำสวนจกค่าใช้จ่ายแจกสลัดแจกการแจกกรรมการงานอะไรก็ตามทีเป็นสมรกรทำงนานหนักก็จะทำงานเบ า, บาบก็ตามมันจ ะ, จะนั่งเขาทานอยู่ก็ตามนีม่เรื่งมีจิตยึดมั่นไหมมันถึงได เนี่นจะ ก, การเอรทนทีไม่ทเด็กัดีบุญหรือกอะไรก็เป็นไนเลยท่านสอนเนี่ยยึดมันถือมั่นโดยการเป็นตัวครูของครูเราทาไปทการเินทาไปได้เงินและการทาสะดวกสบายทําไปในการสดวกสบายแม้ว่าสิ่งที่มันเดี้ยวของกิเลสอย่าทให้เป็นเบี้ยวของกิเลสอย่าทให้เป็นเป็นตัวครูหรือของครูนึ่นนั่นท่านจึงมีบุญพรนาตามีได้โดยการยึดมันไ้ ม, นมันเป็นตัวครูของครูเรื่มงมี้ผ ม, มีเป็นเรื่องที่ร่วมอยู่มีใจกางของกันอยู่ที่ความยึดมั่น ถ้ามายึดมันเป็นตัวครูของครูแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์ที่ไม่มีหนักอกนักใจร้อนใจหุ่นน้องใจอะไรเลยทุกคนต้อากรรู้ธรรมะอยากระดับทุกคนจนตั้งหน้าตั้งตาสังเกติศาสา์จิตของตดูที่จิตของตนว่ามันกาลังยึดมถออะไรถ้ามันมีความทุกข์่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วไปต้องไงสยามันกำลังยึดมั่นถือมันอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอบาคนก็จะหลาบเสียช่นวันนี้นักอกหนใจอยู่เรื่องใดก็ไม่รู้เรืุ่้งใจหนักอกนักใจร้อนใจก็ดูทีดูดูดูนั่งดูหย พยายามจะเป็นทุกข์กระทำเต่าไปยุบมันเป่าไปทําไม่รักแต่เป็นทุกข์ก็สละเออกไปตั้งจิตใจหม่อยทำถิงนั่นหน่อโดยที่ไม่ต้องยึดมันถือมันโดยควาเป็นตัวตุบนของตนทนี้เรื่องนี้มันยากมันยากไม่ใช่มันง่ายแต่ถ้าการใจแล้วให้ปฏิบัติอยู่เป็นปกติแล้วมันก็ไม่ยากมันก็เป็นการง่ายได้เหมือนกันถ้ามันโง่มากเกินไปมันไม่รู้เรื่องนี่เลยมันก็ยากแหลมันยากดีกว่าอะไรมันไม่รู้จะทอย่างไรจะไปทางหแต่ถ้ามันเคยชินอยู่ในการจะมองเห็นนถือจะยึดมันถ ดนันในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่วันลวันเนี่ยกาหนดจิตให้ดีตลอดวันมันมีความทุกขร้อนอะไรมีความทุกข์ร้อนไหมจะมีาทุกขร้อนทุกร้อนใน้อะไรทุกคราวที่มันสะดุดเรื่อนนั้นสะดุดเรื่องนี้ั้งแต่ชาจนเชียงมันสะดุดกีเรื่องถ้าสะดุดม่นมันถือมันนะสะดุดเป็นทุกขมันจะเนถึงเยนกี่เรืำแล้วมันนกี่เรื่องมันจะมีมากเรื่องเป็นความทุกข์นความหมุนหมองเป็นความร้อนกอนใจนี่ดูให้ดีมีีเื่องเมื่อไรแล้วคนเห็นครบ เมื่อมันเป็นทุกข์เปสิ่ที่เราเตริมีฉนันยังเนเรื่องท้ อ, ทองเนี่ยเป็นทุกข์เป็นหวมงมีขงบนนอนไม่หลับเป็นโรคกระสเป็นบ้าหลังจากตายไปก็สลัดเรก็เชกอีก่อนสสลัดกไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาจิตใจปกติจิตใจปกติสัอกอมิปกติจะทอย่างไรจะทอย่างไรจะมีว่าอย่างไรจะเก็บอย่างไรจ ะ, ะ, รรจะอย่างไรจะจ่ายอย่างไรก็ได้ทนก็ไม่ต่างกนทุกข์จมันเป็นงานที่ละเยอ่ยอนมากคนที่จิตใจหลาบหยาบแบบร่างนั่นคงจะทาไม่ได้เป็นคนนี่็ทํากเได้ แต่คนธรรมดาสามัญคนปกติคนตามธรรมดาปกติมีความรู้สึกคิดนึกติปัญญาตามปกติมัควรจะทาได้มองให้ถ้าใจวันนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันยึดมั่นถือมันว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็ไมเอาเขไม่ยึดมันถือมั่นราทำไปตามที่ม่จอมยึมันถือมันจะแก้ปัญหาจะต่อสู้จะเป็นความเป็นผดีปล่อยความบนวงบนซานอะไรก็ตามสลัจิตใจที่มันยึดมั่นลยเป็นทุกข์ออกไปซก่อนาทไปตามที่ไม่ยอมยึมันถือมันแล้วมันถึงทาได้ดีแล้วมันก็จะชนะ ใช่ว่าเป็นม้ามันเท้าขมันเทาให้มันตายเอามันเนเป็นทุกข์รถไปเทาอย่างนี้ไม่มีทางจะชนะเนื่อเป็นทุกข์แค่เราจริงเป็นนั้นว่าทุกคนมีหน้าที่ที่จะตั้งมองดูจิตใจของตนให้ช่วยฟังดูดีๆจะก่อนดูดีๆว่าทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องมองดูจิตใจของตนให้รู้จักตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรเยมันกําลังบ้ายึดมันถือมันนั่นนี่อยู่เป็นคือเป็นไปหรือเปล่าหรือมันไลยยึมันถือมันอะไรมันไม่ได้เห็นชัดลงไปว่าลิตเขายึดมัน่นานกปถือมันนักติ มันไม่เกิเลสนไม่เกืดความทูกข์กเป็นปกติแต่นี่มันทํามได้มันทำไม่ได้ก็มันยังโง่เกินไปก็มันเกินชินเรยจะยึดมั่นถือมันหรือมันอดดีว่าทำดมั่นถือมันกูจะทำยึดมั่นถือมันกูไม่ยอมกูจะเอาอย่างนี่ได้อย่างนีมันก็ตอเป็นทุกข์ละมันช่วยไม่ได้มันม่ีรช่วยได้่เขาให้ยอมรับว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจดูจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันมนยึดมั่นถือมันอะไรก็ดีอยู่แต่ถ้ามันไปยึดมั่น เป็นจิจสบายทางานสนุกทางานจะดวกทางานสบายจะทงานก็สนุกักนสนุกที่ก็มันสนุกก็มันรู้ว่าทุกังแล้วถูกแล้วมันไม่เป็นทุกข์มันรู้ว่ากตั้งแล้วมันไม่เป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์มันก็คือไม่ถูกต้องถาเป็นทุกข์มันก็คือถูกต้องแล้วซึ่งที่ไม่เป็นทุกข์กับถูกต้องแล้วมันสิงเดียวกันเรามองนี้ไม่เป็นทุกข์ก็ได้หรือว่าถูกต้องแล้วก็ได้ทางโลจิกถ้าถูกต้องแล้วจะไม่มีความทุกข์เลยมิเต่านั้นมันจะมีย่ามทุกข์ ที่มีโดยไม่ต้องยึดมนถือมันเกี่ยวพ้อมโดยไม่ตอนมันถือมันช้จ่ายกินเก็บรักษาไม่ต้องมีใจที่ยึดมันถือมันอย่างนั้นแหละจะมาสบายไม่มีการทุกข์เลยตลอดเวลาทั้งนกางคืนัหับทั้งืนไม่มีความทุกข์ทรมานจึงมีหน้าที่ที่จะจำคอยระวังจิตไม่เกิอคามยึันถือมันบาธรรมดาจะเกิดเมื่อมีอะไรมากระทบมีอะไรมากระทบการตาอมีอะไรมกระทบงหูมีอะไรมกระทบจมูกมีอะไรมากระทบาลิ้นมีอะไรมนกระทบขางจมมีอะไรมากระทบขางจมูกมอกระทบล้างจ มมันโง่ก็เความเปล่แต่งจิตใจทนี่เป็นความมันถือมเสมอทุกทีไปเนี่ยโดยเราองเป็นอย่างนี้เราะมันโง่มอะไรมาแต่เมันอยาจะิชิตางยึดมั่นถอมันเป็นตัวูของูเป็นได้เป็นเสียเป็นได้เป็นนั้นเป็นอะไรเป็นเรื่องของตัวูของครูทั้งนั้นอย่างนี้ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้ต้องเป็นทุกต้องมีคากขต้องเป็นทุกช่วยไม่ได้ถ้าใหญ่เป็นอย่างนั้นแ่รู้สึกว่ามันคือะเป็นอย่างไรเรื่องทามยังไงเรื่องจการยังไเรื่องการขาอย่างไรก็ทง มันมากระทบแล้วตั้งฉลาดให้ทันเวลามันเข้ามาฉลาดให้ทันเวลาเนี่ยเป็นพาเป็นหลักลาขนซื้อกันตัวใคทั้งโลกไม่มนจะดสรรนะไม่มาจัสนะก็มีหลักขาฉลาดให้ทันเวลาทันเวลาคือนเวลาที่มันอเรื่องถือเรื่องคัอมีอะไรมากระทบถ้าฉลาดให้ทันเวลาชาบไปมันเป็นทุกข์ไปแล้วมันก็ยัเป็นทุกข์ของตัวเป็นทุกข์เนี่ยตั้งฉลาดฉลาดให้ทันเวลาเพื่อฉลาดให้ทันเวลาเนี่ยเขาก็กสติเร่สติมันฉลาดทันเวลาหสติมันเร็วมันั่งความรู้มาโดยเร็วทนเวลานี่แหะเป็นเหตุที่เขาฝึน เรื่อทุกข์กกสติคสติให้สติมากพอรวดเร็วมพนันเลยฉลาดพันเวลามีนะไรมาตบตาหูแตะมือิงตาใจก็ฉลาดพันเวลาร้ว่อย่างนั้นเองทานั้นเองเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมชาติเองนั้นเองม่ต้อเป็นทุกข์การทาไปในลักษณะที่ไม่เป็นทุกข์แมว่าจะเป็นรุนแรงมันรวดเร็วเ็บปวดอยู่ในจิตใจที่จะพูดยุตรไหนตามใจรเจปวดเป็นทุกข์นโอ้ย็แค่นั้นเองมันเป็นความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ระบบสาของเราโดยเฉพาะระบนสากลก็ร เป็นธรรมชาติเป็นองธรรมชาติธรรมดาอยาให้มันเป็นของตัวครูของครูมันเป็น่อนี้การเจ็บมันเป็นน้อยแล้วมันก็ไม่มาทำมันเป็นพุกอย่างรุนแรงอย่างเตที่อะไรเกิดขึ้นมีสติทันทีว่ามันเป็นตามธรรมชาติเช่นนั้นเองเช็นทางตาลุปเวยมาเเช่นนั้นเองกูไม่ไปลงรักมันไม่เคยมาเเช่นนั้นเองไม่ไปลงรลงเกียับมันเสีที่เรามาเช่นนั้นเองไม่ไปลงรักมันเสียงที่ไเรามาเขาเช่นนั้นเองไม่ไปลงเกลียวบมันินหอมนม็เหมือนกันมันจะเช่นนั้นเองไม่ไปลงรัก ที่มาทำผัดผ so ิน so ั้นที่มาโยนที่สุดโยนที่สุดโจรนั่นเองแข็งกระางเจนันเองทำใจปกติตะตอนแล้ว้าคิดว่ควรจะทำอย่างไรคนรจโยนทิ่งไวเยอะหรือควรจะจัดการอย่างไรควทําอย่างไรก็ทไปโดยสติโดยสติคือไม่มีความทุกข์นี่ที่มามีสติแ้วมันต่อการได้อย่างนี้นั่นจงฝึกกรรมฐานฝึกพัฒนาให้กระทำมีสติอย่าบ้าฝึกบ้าบ้าบ้าเพื่อเชื่อเห็นรถเห็นสวนจะได้รู้สึกจะได้จับจิตจะได้คอนเนี่ยมั่นไม่ทำอะารก็จไดไปอยู่โรงพยาบาลบ้านั่นม เราจะควบคุ ม, มความปกติความจิตใจใคงปกติแล้รู้อะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงรู้อะไรอะไรตามที่เป็นจริงถ้าเกิดรู้สึกขึ้นมาแประบบภาษาแล้วมันได้ระบบาษาทนั้นเนาะมันถึง่องอย่างมาเป็นตัคูของคูงคงเลยมันก็เลยไม่ต้องเป็นทุกข์นี่จะว่าเป็นส่วนตัวโดยบุคคลโดยเป็นส่วนตัวของบุคคลรู้คคคคจักทำอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นทุกข์ส่วนเราไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วทีนี้กับเพื่อนนะผูอื่นที่เป็นเพื่อนคู่จะอยู่ในโลกรวมกันก็ต้องมีการกระทาเชติเป็นประโยชน์ใก่ปันละกันเมื่อเราไม่เป็นทุกข์แล้วย Yeah. มันก็เลยสมบูรณ์คือมันเป็นทั้งประโยชน์เนเองแต่มันเป็นทั้งประโยชน์ผู้อื่นและทุกคนไม่เป็นทุกในโลกนี้ในกาวานนี้ไม่มีใารจะเป็นทุกถ้ามีแต่คนทุกข์ถูกต้องตามธรรมะอะไรกันทั้งนั้นแล้วไม่มีเป็นทุกมันก็พอแล้วมันจะคกิื่องต้องการมากกว่านี้มันเป็นคนบ้าบ้าแล้วจะต้องการมากกว่ากว่าาทุกคนเป็นสุขแล้วพอุกคนจะพอทุกคนไม่มีใครเป็นทุกนับทุกคนคนใดกันทุกฝ่ายทุกคนทุกคนจะพอแล้วถ้าต้องการเกินมากก่นี้ก็เป็นเรต่วงองความโง่ ไม่มีความทุกขจนตลอดวันตลอดคืนนี่มันอยู่ที่ว่าทําหน้าที่ถูกต้องหมดทําหน้าที่บองตนถูกต้องหมดไม่เผลอ่เกิดตัวครูของกูในเรื่องอะไร <c oughs> ฉันตื่นนอนไปมาก็มีใจคอปกติไม่ปวดแค้นผัดแค้นไปพารุมค้างอยู่เรื่องนั่นเรื่องนี้เป็นตัวครูของคู่ใจพอปกติถูกต้องแล้วตื่นนอนขึ้นมาอื่แล้วญหาอไรนอาไปมไันไ ป, ไปถ่ายใาระไปถ่ายภาษาวะก็ทำอย่างดีไม่มีค น, ในิดิสะดุดแค้นอะไรปกติ รรมดาคนโ ง, ง, ง่ๆามักยรงเดไมได้รักษาการถูกต้องาทํายังไถูกต้องอย่างดีที่สุดในการ า, การักภาษาว่แต่ทำเป็นคนมีสเปผู้แต่ิษทเาะอประเจ้า ก, ก็มาทำดีที่สุดนมการถายการกษ า, าวานดีที่สุดที่จะดีได้ไม่เคย้คเกิดการถ่ายแรงเกินไปนี่ไม่ทำสุขกระปรกก็ไม่รักษาคว า, ามสะอาดที่ <c oughs> นี่เรียกว่าม่จะายรกภาษาว่ถูกต้องสุเบียดยิ่้นออกมาจากห้อง่ายใรกไปไปอาบน้ำอาบน้ำอย่างถูกต้องอย่างดีที่สุดมีส ตัด่ขันทุกๆันขอใจถูกต้องที่ถูกต้องที่ถูกใจเสร็จการอาบน้ำก็ออกจากห้องน้าไปความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วแลยขอใจกกินข้าวแต่เราวลาที่กินอาหารนั้นนะถูกต้องลขใจนคัดคัดไม่เกลียดคัดคับใจยพคนี้ไม่อร่อยเราสึกโโหคำนี้อร่อยเเกิดความร้ไรเกิดเลื่องพีดดนลงลกว่าจะกินข้าวอิ่มน่นเหมือนแต่ว่าคือลงคลลงในโลกขึ้นสวรรค์ลงในกขึ้นสวรรค์ีต้ายรายักว่าจะอิ่มไม่ต้องไม่ต้องเม่ทาอย่างนั้น ถ้าคำนี้มันอร่อยฉันนี่เองก็กินถ้าคกิก็กินม่นกินไม่คนกนคำนี้ไม่อร่อยก็มันฉันนี่เองรถจัรมันฉันนี่เองขงมันฉันนี่เองมกเลกกินถ้าไม่กินก็ไม่กินื้อไม้นี่กินไปันเปรี้ยวารู้าอย่างนี้มันรสเปรี้ยวจะทำยังไงมันก็ต้องเปรี้ยวถ้าไม่ต้องการจะกินก็ไม่กินก็ไม่ต้องโกก็ไม่ต้องขัดใจแต่ให้มันเปรี้ยวะนั้นเองก็จะกินได้แล้วนี่มันจืดน่ก็กินได้มันไม่มีอะไรจะทำให้เิดขัดใจตลอดเวลาที่กินอาหารสร็จ อยู่ถเราเ้เนี่ยไลงบนใดเดินไปขนรถไปทำงานนั่อยู่ในรถขากันถงที่ทางานก็ถูกต้องเลยคอยใจถึงที่ทางานแล้วก็เป็นยมใจใจพร้อมอย่างยที่จะทำาอย่างดีที่สุดมีสติสมัชชัญญาที่สุดไม่เคยขัดเพลองขัดใจไม่ล้มไส้ในยินดียินได้เขาพูดภาษารวมๆเลยมันไม่มีะที่จะินดีินได้เนี่ยป็นทางานม่ใจคอที่ปกติแล้วเรามีกาลังใจมากโดยรู้กันจริงว่าหน้าที่พันงานั่นแหละคือตัวกรทาหน้าที่อทำาทําถึงหน้าที่ม่อทาหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรม คนโง่คนขี้กีจนมันชื่นชมตัวตัวเองในรัชการงานทำประจําใจมันทําไม่ได้หน้าที่เด็กนั้นไม่เป็นนะฮะทมันรัการงานประกันนั้นเป็นกองสูงสุดที่เป็นธรรมะมันทําในพื้นทําพื้นใจทําไ่าไปเจียวไม่อยากจะไปกลามารุมมันอยากจะไปทางโน้นมันประจําใจทํางานมันตกนรอยู่ตลอดเวลาที่ทํางานแต่ถมองเห็นการที่เปนจริงหวหน้าที่การงานอะ่รคือธรรมะคือมันช่วยให้รอดสิ่งที่จะช่วยเราได้คือหน้าที่กางานที่เราทําเร็จนั่นเองอย่าไปหวังให้ไปเจ้าที ในสิ่ง eh ท mm ี่จะช่วยรอบคืหน้าที่หน้าที่ที่ทดีแล้วทำถูกต้องแล้วที่ยงคือํามาทํามหน้าที่การธรรมะคือคำสอนสอนของพระพุทธเจ้าเนรื่องหน้าที่แล้วสอนเด็กๆว่าธรรมะคือคาสอนสอนของพระพุทธเจ้าเมืแล้วก็เด็กๆสอนอย่างนั้นคือมันมันสนง่ายกว่าแต่ที่จริงคสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องหน้าที่อย่างนั้นแหละคนนั้นทาหน้าที่อย่างนั้นก็นั่นทหน้าที่อย่างนั้นหน้าที่สูงสุดก็คือรักษาจิตดูแลจิตอย่าให้เกิดความผิดอย่าให้เกิดความทุกข์หน้าที่สูงสุดที่เราทำกรรมฐานทาพิจ ภูมความละหน้าที่ก็คืสิ่งที่ช่วยให้เรารอดจากความทุกข์จงอยู่ในหน้าที่ที่ถูกต้องให้ทำให้สนุกทให้สนุกเพามันเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่จะช่วยให้รอดที่ทำงานก็สนุกทาหน้าที่ก็สนุกก็ทำาไดีก็ทำด้มากไม่งั้นคนจำใจทำก็ไม่รักจะทำแต่มันฝืนทำมันไม่มีอะไรจะกินมันก็ต้องฝืนทำนี้มันก็ลอามาไปแต่ถ้าเราทหน้าที่นีมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้รอดเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์ seasons, ก็ทาให้สนุกนกมีความสุขเสียเมืเอกาลังทาหน้าที่ ไม่เอาก็ไม Entonces, ่ได้่มันก็ไม่เคยได้มันก็จ่าไม่ได้โดยการทวาฟูงใหมันทำหน้าที่ตห้มเตือนให้สนุกนี่ให้มันเกิดความรู้สึกที่เป็นสุขเสียในขณะที่กลังทาหน้าที่ไปทำงานก็ได้ความสุขก็ได้ความสุขก็ได้ไม่ต้องไปไม่ต้องออกไปหาความสุขที่ไหนอีกไม่ทาแตงเงินไปซื้อหาความสุขิ่ไนอีกเพราะว่าความสุขที่แท้จริงเงินซื้อไม่ได้โดยเงินถ้าซื้อได้โายเงินแลวมันก็เป็นเพียงความเคลื่อนที่หลอกลวงความสนุกสนานอะไรต่างๆเคลื่อนที่หลอกลวงนั้ ถ้าเราทิจะมีความสุขที่ทจริงอยู่เมื่อทหน้าที่ทาหน้าที่ทาหน้าที่ตลอดวันตลอดคืนหงไม่เป็น้ือามสุขไมนัเหลือาสุกิท้จริงนี้เป็นของให้เราคารหลวงนั้นต้องื่อนเยมากมายเป็นหมดเรื่องมตัวน่ยฟังกันใดีๆวถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วมันเปชเงินเลยมันได้เราแต่เป็นเรื่องหลอกลวงมายาเ็เรื่องอะไรนุกน้ำเตือแล้วมันเป็นช่าเงินมันช่ามากิ่อร่อยมันกยิ่งไม่คิดอะได้ลูกล้มกันเองใช่ความหลอกลวงม งงจงโคตโกงจนงเดือดร้อนจงหมดเหมดตัวบ้าถูทอดถูกจับใสุ่กใสารางบ้านแล้วไปบูชาใ้ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนเงินไม่พอใชจ้จนจงโกงในารู้หน้าที่เป็ น, ส, ส, ส, ปนสิ่งสูงสุดเป็นสที่พระพุทธเจ้าทรงัอนให้กระทำาะในกระทําพอใจอยู่พอใจก็จงเป็นสุขคนเดียใจชบเลยว่าความสุขนี้มาจากกามพอใจทําไม่พอใจไม่มีความสุขพอใจมากก็นสุขมากอใจน้อยก็ปสุขน้อยพอจางบริสุทธิ์ก็เป็นสุขบริสุทธิ์ใจก็โงหลอกลวงเป็นความสุขที่หลอกลวงถ้าใจอย่างกิเลสมันก็เป็นความ ความพอใจอย่างถูกต้องตามทางธรรมไม่ใช่ไปเอาเรื่องหลอกลวงมาทำความพอใจหรือจะแก้ตัวพวกอันธพาลว่าเรามีหน้าที่ต้นที่ประมวยเราจะทำหน้าที่ของเราแเราก็พอใจอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องขออันธพาลนั่มันก็ไปจบอยู่ในคุกในตารางโดยม่จองสงสัยถ้าเป็นคนปกติมันจะรู้โดยความรู้สึกทำนธรรมดานี่ก็รู้อันนี้มันเรวมันชั่วมันผิดไม่มีารจการซึ่งพวกอนธาลก็รู้ว่านี้ชั่วิดแต่มันืนทังับิเลไม่ได้เพามันอยากได้คาหลอกลวงมันไม่ทำการความสุขิทจริง ทาทานั้นมันทำการการสุขสิตจริงมันก็ไปทางานทำแล้วใจสืนใจในขณะที่ทางานแล้วมันจะอดช่นอไกรทามันทเต่างตัวได้มรน่องี้สำกัญมากเขาให้จาไว้ใหมนะว่าหน้าที่หน้าที่การงานแหละคือธรรมะมหือหน้าที่การงานพอทาแล้วพอพอใจอยูกับบูชาธรรมะบูชาหน้าที่การงานจะทำหน้าที่การงานอะกมือไหว้ทีก่อนจิตใจจะมั่นคนงที่เข้าไปห้องที่ทางานยกมือไหว้ห้องทางานสักทีถอย่ังดีว่าไปใช้นานี่พอจะในานาหว้วายไหว้ไผ่ที้ไนอย่งจะใจจะมั่นคงเป็นสุขมันคงที่สุดไม่ต้องตัวใจว่า ถ้าเรารู้วาริง่าหน้าที่การงานนั้นคือสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าหรือครูรู้ทั้งหลาย้สอนให้การงานได้ช่วยให้รอดแลวนันการงานทั้งหลายก็คือพระเจัาจช่วยให้รอดและบูชาการงานเพราที่มลัททางานอ่ะรวมใจดีมาตั้งน้โมัสาระัวโตทั้มใดีาทการงานมตก้อยู่ใใจก็ได้งรวมจิตใจดีที่สุดแลมาทงานจะทำทำงานจะาก้าจะทํความมั่อจะทำอะไรก็ทำทำจิตใจให้ดีอย่างนี้แลามีความสุขมีความสุขตลอดเวลาจนหมดเวลาการงานเป็นสุขอยู่ เรื่องงานฝับบ้านก็พอใจพอใจถูกจ้างแล้วกลับมาในคามพอใจทุกกคร่างเดียวมากินข้ามานั่งเดีมาถายแต่ละถ่ายภาษาว่ายงเรื่องกันอีกทำยังเกันอีกมีแต่ความพอใจเป็นทุกเรื่องทุกเรื่องวันเรื่องอะไรพอใจถูกจ้างแล้วพอใจถูกกันแล้วพอใจทีนี้พอะึงเวลาจะนอนจะนอนคิดบัญชีวันนี้ถูกจ้างแล้วพอใจอีกเรื่องผิดลาดมีอาจจะถูกต้องพอใจี่เรื่องถ้านโอมถูกจ้างพอใจทุกเรื่องกยกมือไหว้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองนั่นคือสวรรค์ที่แท้จริงสวรรค์ที่แท้จริงเนี่ยคือมาลุสิบวระทำถูกจ้างหมดไม ไอ้สวรรคตายแล้วนไม่แน่แต่วันบางอย่างมันหลอร่วมแต่วนเธอเจรตเป็นบริการมารุมเหมือนหลอร่วงเย็นี้เป็นสวรร์ที่เยือกเย็นเยือกเย็นถูกต้องแลยพรใจอยู่ในตัวเองอยู่ในสวรรค์พักอยู่ในสวรรค์โดยใจจริงตลอดเวลาที่รู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจยกมือไหว้ตัวเองไหทุกคืนทุกคืนที่จะนอนยกมือไหว้ัวเนะยกมือไหว้อได้อย่างนี้นือ่ไหว้หมดวัดพรพทธาวพระสงฆ์วดามันดาว่าครูบาอาจารย์ไหว้กีไวี่หวมันรวมอยู่ในคว่าไหว้ไปก็ได้คือมีความดีท ไอ้นรกือมันเป็นเกดนาตัวเองก็รทำอะไรมาแล้วรู้สึกเกลดนวงมันเป็นนรกนรกจริงมนนนรกแห่งนี้มันนรกทายแล้วนรกที่นีเดี๋ยวนี้ยังไม่ทำอนเนาตัวเองระวังยาใ้มเลยทำอะไรน่าเกียตัวเองมันเป็นนรกยา้เลยมีแต่ทําทหล้ยกมือวาตัวเองได้ทงนั้นนี่เป็นของสี่แน่นอนสวรรจริงนรกจริงสวรรค์นรกสวรรค์สวในอกนรกในใจสวรรค์ในอกนรกในใจเราพูดไปถูกใจแล้วแต่คนโง่มันฟังไม่ถูกสวรรค์ในอกนรกในใจคนโง่โง่หลังนั้ คน่นโกจริงๆสวรรค์จริงๆในใจอยู่ในใจจนี่แต่ไม่เห็นไม่รู้เรื่องนี่มันเป็นคนโง่เกินโง่ามันโง่ขนาดนี้แล้วมรู้ทํหน้าไม่ได้หมันโง่เกินไปเรที่รู้สึกอยู่ในใจมันยังรู้จักไม่ได้นสวรรค์ในโลกในใจมันรู้สึกไม่ได้แล้วไปรู้ธรรมะทีละเียวทีละนสูงกว่านั้นได้อย่างไรนั่นครู้จักกับสิ่งที่ควรจะรู้จักในเรื่องต้นกรนี่แหละให้ดีเมื่อใดทาชื่นใจยกมือไหว้ตัวเองได้เพรานั่นเป็นสวรรค์ที่นี่กระเดียวนี่เมื่อใดทำจิต คิวตลอดเวลาที่คุณูเวลาจะนอนมนเป็นเวลาสาคัญลาคิดบัญชีแต่ละวันแต่ละวันพอจะนอนี่ดีมีแต่เรื่องถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจยกมืไหวตัวเองเป็นแต่ะวันนอนับไปแความรู้สึกที่เป็นสุขแท้จริงนี่ลำคุณด้วงมันเกิดมาาใช่ไมเเป็นสุขเลยเมื่อทงานรู้สึกพอใจในการงานที่ทาไอ้ที่จะซอาการมรมไปียกับกามารุมมันไม่มีมันไม่ได้ทำไปทำไเป็นเรื่องหลอกเป็นรื่องร้อนมันเาไว้แต่เรื่องเย็นคือเรื่องความถูกต้องเห็นไปชับก็ถูกต้องแล้วก็พอใจพอใจก็เป็นสุขมันเป็น ก็น่าจะมีหน้าชีระว่างอย่างยิ่งักษาอย่างยิ่งให้มีแต่ความถูกต้องถูกต้องทั้งวันทั้งคือทั้งหลับทั้งื่นให้มีแต่ความถูกต้องทั้งหมดนีอยู่ที่เนื้อที่ตัวไม่ได้อยู่ที่วัดว่วาหรือไม่ได้อยู่ที่ที่ไ้นมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวเนื้อตัวร่างคายจิตใจมันอยู่ที่ไหนไอ้อื่น้นี่มันก็อยู่ที่นัท่านจงมองไปกันไหนมองไปที่จิตใจจิตใจมองจิตใจจิตใจต่อความถูกต้องให้มีแต่ความถูกต้องอย่ามีความผิดพลาดนี่เลยเราเป็นพุทธบริษัทติดหน้าจริง เพราะการจะมีิตใจเหมือนกันนั่นเองซึรอยากจะเป็นตระบวสัติจริงออย่างนี้จิตใจมีแต่ความถูกต้องเราพอใจยินดีรีดาาโมดเป็นสุขมือจิตใจความกระพรุนจิตใจควากระทาจิตใจความประสงค์ในความทุกข์มีนี้แล้วควาทุกขิดไม่ได้กับจิตใจนนี้เป็นความตักทุกข์เกิยนเป็นนิพพานอยู่ตลอดเวลาเรียกง่ายๆอกย่างหนึงก็เรียกว่ามีชีวิตเย็นมีชีวิตเย็นชีวิตที่เย็นนั่หรือนิทํานชีวิตทีเร้อนนั่นคือตัณหาละวัตอารย ถึงตัวเองเมื่ายว่าอย่ในบบทนทีชีวิตเย็ยนไม่มีพลังเลยเมื่อว่าทำทั้งหลายคงจะได้พยายามทำความเข้าใจเสียโดยเร็วให้ได้พบกับความเยือกเย็นเป็นที่พอใจนี่เสียโดยเร็วและตายเปลาเนียเกิดตายเปลาไม่ต้องมองไปที่ไหนไม่ต้อวิ่งไปมาที่ไหนมองกัในในใจิตใจมองแต่ใ น, ในใจิตใจให้เขาวิธีที่จะควบคุมไหวไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดความหลงไม่เกิดความโงม่ โ, งโดยเฉพาะทุกขณะที่มีอะไรมากระทบตาหูจมูกพินตาใจเรามีตาหูจมูขึ้นตาใจกั็นที่กระทบของสิ่งข้างนอก มันม<บ> <PTSD> ันเอาไปท้งที่นม so right? no. well ่ได้นี่ตาหูมูิ้นตาใจมันต้องมีนมมันมี่งี้มี่งทมากระทบมกระตุ้นมากระทาเสียงมากระตุ้นหูปีมานระตนจมูกลดมากตุ้นลิ้นถูกภาากรนผิวหนังความรู้สึกมากต้ใจมันต้องมีกระล้มันจัการนะมันมีการกระทบนมันโง่อยาให้กระทบความโง่อยากใามโง่งมาจัดการความคิมันก็มาจงใจไปนทางยึดมันถือมั่นมันหยุดมันสงบอยู่ในความถูกต้องมันทอยู่ในความถูกต้องมันก็มีความเป็น มกไมได้ไปเย็นเย็นเป็นความเย็นไม่พูดอะไรเนหมือนน้าเนดีกว่านนี <c oughs> ่ทุกคนที่ได้ตั้งใจมาเ่อสแสวงหาสิ่งีวีประโยชน์ชนได้รับคารรูปกามประใจในสิ่งที่มีประโยชน์คือจะอเอาไปเป็นชีพขึ้นแก่ดตได้เป็นกันทาชีพขึ้นให้กิดได้ให้เป็นชีวิตที่มีแต่ความถูกต้องและพอใจทั้งวัทั้งคืนทั้งหลักทั้งกกะนะตื่นสุขณะักกาเตือนนอนขึ้นมาไปอาบชาราพัฒนาว่าไปอาบน้าไปกินข้าวไปทางานไม่ได้ฝึกแต่ร่างกายจะช่วยราาว่างกายบ้างก็ยังมีความสุข กัรรู้จักทำเป็นหน้าที่หน้าที่มันก็เป็นธรรมะกราถูกต้องเลาพอใจนั่นการที่จะช่วยคนใช้ร่างจานถูเรือนอะไรบ้างก็พอใจก็ถูกต้องและพอใจด้วยตรงนันสูงปึนไปก็ถูกต้องและพอใจไม่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องและไม่พอใจมันก็มีแต่ความสุขแท้จริงชนิดที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อเงินก็เหลือเงนทีเป็นผลงานก็เหลืออยากไทอะไรก็ได้ไปที่ดูใหม่นั่นอีกขึ้นไม่ยากมีเงินเหลือจะใช้อะรก็ใช้ได้ใช้โดยทั้เป็นประโยชน์โดยตรงแต่ความสุขแท้จริงไม่จำใช้เงินจะได้ มันฟังสุกเย็นชาขึ้นชื่นพอใจมันกำลังทำงานอยู่ในความรู้สึกพลงานที่การปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือการทางาน้าที่ทำว่าทำว่าคือนาทีนาทีคือทาว่าทำว่าคือนาทีนาทีนี้ช่วยให้เรารอดเนี่ยไปแขวนเครืงรางัักสิทธิ์ดังนั้นอย่างนี้กัการช่วย้เราทาหน้าที่ที่ถูกต้องนี่ช่วยให้เราได้เป็นภูตถาเป็นสายเครื่องรังการเครื่องรางอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไสยศาสตร์นั่นไม่ใช่ภูนั่นไม่ใช่เองกตบริษัทและก็ไม่ต้องทำให้เสียเวลาจงวังขึ้นตัวเองหวังขึ เรื่องที่จะพูดก็มีอย่างนี้ม่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันก็มีหน้าที่ที่ต้องดับทุกหรือมีหน้าที่ที่จะมัดระมัดระวังไม่ให้บางทุกเกิดขึ้นเป็น<ม>หน้าที่เหมือนกันระวังอย่าใการทุกข์เกิดขึ้นนั่นเป็นหน้าที่ดับทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นหน้าที่รับทุกข์ใช้ได้ดับทุกข์ไ ด, ด, Leaders, reme, ด, ด, ด้แล้วก็ช่วยคนมนุษย์ของเราับทุงข์ได้ด้วยเราเป็นสุขเลยกันทั้งเราทั้งคนมนุษย์ของเราเรื่องมันก็จบทั้งว่าทั้งด้